ตัวสันติแนละตัวนิโรธตัวนิพพานเมื่อไหรจิตหมดตัณหาจิตก็หมดความดิ้นจิตที่หมดความดิ้นรนก็มองเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนคือนิพพานปรากฏอยู่ตานาตตาในขณะที่รู้ทุกข์แจมแจ้งจนกระทั่งละสมูทัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นได้เรียกว่าอริยมรรคเนื้นทุกขสมูทัยนิโรธมรรคไม่เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันไม่ใช่ว่ารู้ทุกขวันหนึ่งล้ะสมูทัยวันหนึ่งแจ้งนิโรธวันหนึ่งไม่ใช่เกิดในขณะจิตเดียว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 เอ้เรามาฟังธรรมะอย่างนี้เอ้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังธรรมะอะไรเรื่องจิตเรื่องใจดูชื่อว่าใครเขียนไว้ใครสอนพระรัตนกรวิสุทธอันนี้ราชิน น, เ า, า, น, น า, าเก่าทนะ่านสมณะสักเก่านะหลังเป็นชั้นรากในหนังสือที่เขียนพระรัตนากรวิสุทธเราก็ดูไปถามคนนะเขาบอกว่าเป็นอาจารย์โลกู่ฟัีกจริงเราโอ้อาจารย์โลกปูฟัน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 เหนื่อยแล้วก็เลยย้ายมาอยู่องการโทรศัพท์งานสบายกว่ากันเยอะเลยนี่นินทานะงานสบายกว่ากันเยอะเลยอย่างสภาความมั่นคงเนี่ยทำนยโยบายผิดนะคนล้มตายเยอะแยะเนี่ยมันเครียดเพราองนการภาวนาแล้วก็พอเป็นฆราวาสเราภาวนาอยู่ได้แค่นั้นแหละมันไปต่อไม่ได้มันห่วงเมียนะภาวนาต่อไม่ได้ก็ตันอยู่แค่นั้น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 ไม่เคยมีผีที่หักคอคนนะไม่มีจริงที่ผีไม่ทำอะไรคนไปได้หรอกมีแต่คนไป แ, นะแกล้งหลอกผีนะแกล้งหลอกกันเองแล้วจิตโยอมผิดป ก, กติหรือเปล่าคะไม่ผิดปกติเครียดเกินไปเท่า น, นั้นเองพอใจมันเครียดมันก็หนีความจริงของโลกข้างนอกนี้น้อมอเข้าไปเคลื่อเลื่อไปหน่อยอย่างอื่นมันก็แทรกแฝงง่าย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 ทำตัวให้ผ่อนคลายร้องเพลงสงักเงมีความสุขลืมผีไปซะนะเคยมีครูบาอาจารย์นะชื่ออาจารย์ทองรัตน์อาจารย์ทองรัตน์ไปอยู่ในป่าเปรดมาหลอกเศษตัวนี้ดูด้วยพุโทโธมันก็ไม่ไปมันก็พุโทโธเป็นนะอีจีบีโสมันก็สวดเป็นนะทํายังไงมันก็ไม่ไปท่านเลยใช้ไม้ใส่กระโดดเข้าใส่เปรมัน ไอ้ผีมึงเป็นอนิจจังทุกขังนัสตาเตไปเตะ ม, มาไปเตะต้นไม้ก่อผีเผลอไม่มีนะ้วอย่าไปกังวลนะผีจะกลองโลกไม่ได้อย่าไปกลัวมันแต่หลวงพ่อตอนเด็กเด็กกลัวนะอยากรู้ไหมทำไมหายกลัวอับอายขายหน้านี่เรื่องโงโงๆอีกแล้วจะเล่าให้ฟังมีแต่เรื่องโงงๆเรื่องชิเทอร์ตอนนั้นอยู่วังน้ํามออ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 ถ้าแกมาฉันจะแลบลิ้นหลอกแกเอ่าต้องใจถึงๆอย่างนี้นะมันกลัวค่ะหลวงพ่อก็ภาวนามาช่วงหลังก็น้าหนักจิตมันลดลงนะคะ่ะแล้วก็มันจะมีอาการเหมือนซึมๆง <c oughs> ่วงๆอะไรต่อเนี่ย <c oughs> มันมันน้อมใจให้ว่างมากเกินไปไปแต่งใจให้เบาเกินไปเพราะว่าแต่เดิมจิตหนักเกินไปก็เลยไปแต่งให้เบาก็แต่งให้เบาก็เลยแต่งอย่างนี้ทําหน้าให้ดู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 อ็<น>ค่ะจิตสงสาดูแค่นั้นพอละไม่ต้องอยากให้หายนี่ส่งไปยังไม่ช้าัอ้ า, อาววาไปเมื่อเช้ามีโทรศัพท์ตอนนี้ก็มีอยู่นิดหน่อยอืดูไปโทรศัของเราต้องยุ่งกับคนอื่นส่งแล้วอ้าวนี่ส่งแล้วนี่อ้าวสุก็วันนี้ตื่นเต้นน้อยกว่าเมื่อวนนะคะเมื่อวานตื<ม>น่นเต้นมากอื<ม>แล้วก็วันเมื่อวานมันก็เลยสูกแล้อึดอัดแล้วก็ตงเจ้าเศร้าอ่ะค่ะ นนวันนี้ใจเริ่มมีความตั้งมั่นขึ้นแล้วนะไปรู้ไปปกติมาอยู่วัดน่ะวันพุธนั่นแหละพุธเพิ่งเริ่มหัดจดีพอเพิ่งเริ่มหัดเจรียวเริ่มไม่ดีแล้วเตรียมกลับบ้านะเป็นธรรมดานะ ด, ดูไปก็ <c oughs> รู้สึกว่าใจมันยังวันนึงเบอร์ห้าใจลอยไปแล้วนะ <c oughs> รู้สึกว่ามันยังมีน้ำหนักเกี่ยวคอืมถูกต้องชี้ภาวนาใช้ได้อ้าวคนนี้จิตเป็นยังไง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 ไม่ต้องรู้อะไรก็ได้รู้แค่ว่าความรู้สึกอะไรกาลังเกิดอยู่คอยรู้เรื่อยๆเช่นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นของคุณใช้ได้นะจิตของคุณเกือบจะตื่นแล้วใช้ได้แล้ววันสองวันนี้ก็เข้าใจแล้วเรียนได้เร็วนะครับไม่ได้ทรางทำไมผมชอบอยู่เฉยๆครับเราติดสมาธิเราจะชอบเฉยๆติดแรงไหมครับไม่ได้นี่ละครับ ค, คุณนันติดแรงก่คุณแถวที่สี่แรงกว่า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 คนที่จะเรียนวิปัสสนาเนี่ยถ้าไม่ติดสมถะนะฝึกง่ายแต่คนที่ที่ติดสมถะแล้วแก้ได้นะทำวิปัสสนาะนะพวกนี้ไปเร็วจะดีกว่าพวกที่ไม่เคยฝึกเลยพวกไม่มีสมาธิเลยนะส่วนมากที่เกลียดหัดดูได้อย่างรวดเร็วนะแต่จะขี้เกียจ ด, ดูแป๊บแป๊บเลิกแล้วเบอร์ห้าหลงไปแล้วเบอร์ห้าเบอร์ที่สิบหกลงไปคิดนะเบอร์สิบเจ็ด